นตั้งใจให้ดีการภาวนามันเป็นการฝึกใจให้มั่นคงในศีลในธรรมเพราะใจนี่มันวกแวกไปด้วยอำนาจของกิเลส กิเลสมันปั่นจิตให้คิดไปทั่วโดยเฉพาะกกเรื่องอวิชชาโมหะนั่นแหละเมื่อความไม่รู้ความหลงครอบงมจิตแล้วเาก็ทำจิตให้คิดเลื่อนลอยไปสารพัด ท่านอุปมาไว้เหมือนกับลิงที่กระโดดโลดเต้นไปในป่าใหญ่คว้าใส่กิ่งนี้วางกิ่งนี้ก็คว้าใส่กิ่งนั้นต้นไมแต่ละต้นที่จะมีผลมีน้อยเต็มทีมีแต่คว้าไป เป่าเป่านั้นแะเป็นส่วนมากชั้นใดจิตใจที่หลงที่เมาในอารมณ์ต่างๆก็เป็นเหมือนกับลิงที่กระโดดโลดเต้นไปในป่านั่นเองคิดไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์มากต่อมาก เรื่องที่ไม่ควรคิดมันก็คิดไปผู้ที่คิดไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้พิจารณาเห็นความคิดที่มันไม่มีประโยชน์นั่นไม่ได้ถวนกระแสจิตเตือนจิตเพราะฉะนั้นจิตมันจึงค่อยพุ่งไปทั่วจึงห้ามไม่ได้ เมื่อเวลามีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามามันก็วันไหวไปตามเรื่องนั้นๆเลยเพราะมันไม่เคยทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่เคยห้ามจิตตัวเองจากอารมณ์นั้นๆจากเรื่องนั้นๆมีแต่ปล่อยให้มันวันไหวไปตามเสมอ นี่มูลเหตุที่ให้คนเราทำความชั่วให้พึงเข้าใจดังนั้นในการฝึกจิตรก็ได้แก่การที่มีสติสมัมปชัญญะห้ามจิตไม่ให้คิดปรำประราไปทั่วให้มันหยุดมันนิ่งอยู่ในปัจจุบัน <c oughs> ปัจจุบันนี่ เป็นตัวชีวิตอดีตมันก็ล่วงมาแล้วไม่ใช่แล้วชีวิตมันล่วงมาแล้วอย่าไปคำนึงหามันอย่าไปยึดมันเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมันหมดมาแล้วอนาคตก็ไม่ใช่ตัวชีวิตเพราะยังไม่ได้ไม่ถึงยังไปไม่ถึง ไม่ทราบว่าชีวิตนี้มันจะแตกดับลงเวลาไหนวันไหนรู้ไม่ได้เลยดังนั้นต้องกำหนดเอาปัจจุบันนี้ทวนกระแสความคิดความนึกอะไรเข้าไปภายในให้เหลือแต่ความรู้อย่างเดียวความคิดให้มันยุดติลงก่อน อ่ามันไม่หยุดลราจะทำาไงก็มันไม่หยุดก็เพ่งอยู่นั่นแหละเพ่งไปเพ่งมาสติมันแก่กล้าแล้วมันก็หยุดลงได้เมื่อสติมันยังอ่อนอยู่มันก็สู้กับความคิดไม่ได้อาศัยความภาคเพียนพยายามเพ่งไม่ท้อไม่ถอยนั่นแหละ ให้เข้าใจถ้าหยุดเพ่งจะแล้วจิตไม่มีอำนาจอะไรมันก็มีแต่ลอยไปตามความคิดความนึกนั่นแหละอย่างนั้นจึงว่าก่อนอื่นนะการภาวนาเนี่ยมันต้องมุ่งให้จิตให้จิตให้มันหยุดคิดหยุดนึกไปในอารมณ์ต่างๆเสียก่อน อย่าพึ่งอยากรู้อันนั้นอย่าพึ่งอย่างรู้อย่างนี้รู้ได้มันก็รู้ไม่จริงหรอกถ้าจิตไม่สงบนะมันรู้ไม่จริงไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายเอาจิงเนี่ยทุกคนก็รู้ดีอยู่นั่นแหละร่างกายนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แต่แล้วเมื่อจิตนั้นมันสงบลงไม่ได้มันตั้งมั่นลงไม่ได้มันไม่ยอมรับรู้ความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารนี้เหตุดังนั้นมันจึงได้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาในใจนี้นะมันจึงวันไวไปตาม เรื่องดีเรื่องชั่วในโลกอันนี้ใครว่าดีมาก็ดยินดีไปตามใครว่าชั่วมาก็ดยินร้ายไปตามไม่พอใจในความชั่วที่ผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ไม่พอใจโกรธนั่นแหละลักษณะของความยึดถือนะถ้าไม่ยึดถือแล้วมันไม่โกรธ ต้องให้เข้าใจสิ่งที่น่ายินดีก็เหมือนกันนะถ้ามันไม่ยินดีแล้วมันก็ไม่ยึดไม่ถื อ, อ, อดีก็ดีโดยสมมติของโลกอันนี้นะสมมติว่าดีเฉยๆแต่แล้วเมื่อเพ่งดูโดยปรมตทธรรมแล้วไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชั่ว เชนรูปร่างกายอย่างนี้นะลอะงเพ่งดูให้ถึงความจริงดูสิมันจะมีอะไรดีมีอะไรชั่วอยู่นั่นมันก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองอาศัยจิตวิญญาณมาอยู่นี่เท่า น, นั้นแหละมาครองอยู่นี่มยังเคลื่อนไหวไปมาได้พูดจาได้ ทำการงานอะไรต่างๆได้ถ้าเมื่อจิตดวงนี้ไม่มีแล้วถอนออกแล้วมันก็ไม่มีดีมีชั่วอะไรเลยร่างกายอันนี้มันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมตามเดิมนั้นเองนี่แหละความหลงอนะ่ะ ก็คือความไม่รู้จริงตามเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏอยู่มีอยู่นี่แหละไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าลี้ลับจนไม่สามารถจะมองเห็นได้เสียเลยอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าคนเราไม่ได้ฝึ ก, กจิตนี้ให้ตั้งมั่นลงไปเท่านั้นเนยมันจึงไม่ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้ ดังนั้นการฝึกจิตให้สงบให้ตั้งมั่นลงเนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวให้พากันเข้าใจยืนเดินนั่งนอนกินเดิมพูดจาทำการงานอะไรอยู่ที่ไหนเมื่ อ, อไรก็มีสติสมัชย์น ประคับประคองจิตนี้อยู่อย่างนั้นไม่ลืมตัวแม่เข้าสังคมการพูดการเจรจาอะไรต่ออะไรกันต่างคนต่างก็มีสติสมบัติยั่ะควบคุมจิตของตนให้เป็นปกติไปไม่ใช่นั้นแล้ว พอได้กระทบกระทั่งกับเรื่องที่ไม่ชอบใจมันก็หวั่นไหวไปทันทีถ้าไปกระทบกระทั่งกับเรื่องที่ชอบใจก็ชื่นใจโสมนัสยินดีอย่างแรงกล้าจนลืมตัวไปแต่เมื่อใจนี้เป็นอยู่อย่างนั้นนะ่ะมันก็เอาชนะกิเลสไม่ได้เลย แสดงว่าใจมันพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสแล้วเหตดังนั้นมันจึงได้หลงยินดียินร้ายไปตามกระแสของโลกอันเนี้ยให้พึงพิจารณาดูการพิจารณาดูรู้เรื่องของตัวเองเนี่ยสำคัญมาก ก็เมื่อมันไม่รู้เรื่องของตัวเองแล้วมันจะไปแก้ไขตัวเองได้อย่างไร mm hmm. เมื่อรู้ว่าจิตของตนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจะต้องแก้ไขอย่างนี้ mm hmm. อย่างไ น, นมันยังค่อยแก้ได้ mm hmm. เช่นอย่างว่าหนโทสะจจริตอย่างนี้นะ mm hmm. ก็ไม่รู้เรื่องของตัวเองเลยว่าตนนั้น มีความโกรธเป็นเจ้าเรือนอยู่ในใจมันสงควรที่เราจะต้องแก้ไขกันไม่เช่นนั้นเราก็จะทาความดีไปไม่ได้ความโกรธนี่แหละมันจะมาขัดขวางการทำความดีเมื่อมีใครมายั่วให้โกรธแล้วมันก็โกรธไปเสียก็ทำความชั่วไปเพราะความโกรธนั่นนั่น ไ่ความไม่รู้เรื่องของตัวเองที่แน่นอนนะมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าผู้ใดรู้จริตอย่างนี้มันไม่ดีมันจะพาตนให้ไปสู่ทุกข์ถ้ารู้อย่างนี้แนละ้วมันก็พยายามเจริญเมตตากรุณานี้ให้มากๆเข้าไปไม่ไม่ไปเจริญกรรมฐานอย่างอื่นแหละ เมื่อรู้ว่าจริตของตนมันเป็นอย่างนั้นต้องเจริญเมตตาตั้งจิตปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันไปเลยทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูเราก็อภัยให้ไปไม่ถือมั่นไว้ในใจนี่ไม่ใช่จะไปบริกรรมแต่ บาลีวสพเพสตาสุขิตาหุนตสสตสเพสตาอเวราหนตตไปอยู่อย่างนั้นเท่านั้นอันนั้นมันเป็นภาษาบาลีบางคนก็เลยไม่ซึ้งในใจเพียงแต่บริกรรมคาถาเท่านั้นนะต่อเมื่อได้นึกคิดเป็นภาษาของตัวเองออกไปนี่ มันจึงซึ้งลงในใจนเป็นเงินนึกว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขรักษาตนให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งสิ้นนั้นเถิดอย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนี่ถ้าผูใ้ใดเขาได้ ด, ด, ดีก็ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป เราไม่คิดอิจฉ า, าในนี้นะถ้าผู้ใดถึงความวิบัติลงแล้วก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้แก้ไขได้ก็นึกถึงกรรมนึกถึงเวรของคนผู้นั้นก็มันก็เรื่องกรรมเรื่องเวรนี่มันเป็นธรรมดาเมื่อผู้ใดทำกรรมมันใด มันก็ต้องได้เสวยผลแห่งกรรมอันนั้นช่วยไม่ได้พอดำริเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้มันก็วางอุเบกขาลงทำจิตไทยวางเฉยลงไม่ต้องไปเสียใจดีใจกับความวิบัติของผู้อืน่นแม้แต่ความวิบัติของตัวเองก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละ เพราะตนของตนก็มีกรรมเป็นของของตนเหมือนกันเวลากรรมชั่วมันให้ผลมันก็ต้องวิบัติลงแล้วก็แก้ไขไม่ได้เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องประเภทของกรรมเหล่านี้เสมอไปรู้ด้วยปัญญาจริงๆเมื่อมันรู้ด้วยปัญญาแล้วยมันก็ไม่สงสัยแนว อร่างกายอันนี้มันเมื่อมันวิบัติลงแก้ไขไม่ได้เราก็รู้แล้วว่านี่มันเป็นผลแห่งบาปกรรมที่ตนได้ทํามาแต่ชาติก่อนนุ่นมันตามมาสนองแน่นอนอ่ะมันถึงแก้ไม่ตกถ้าเป็นความวิบัติที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจุบันเท่านี้หนึ่งนี่เนี่ยมันมีทางแก้ได้ เราต้องเรียนรู้เรื่องประเภทของกรรมดีกรรมชั่วนี่ให้มันแจ่มแจ้งจริงๆให้มันแจ่มแจ้งด้วยปัญญาเรื่องของกรรมนี่แหละบุคคลไม่รู้แจ้งนะส่วนมากนะเหตุนั้นแหละมันถึงได้วันไวไปตามเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้น เอ้ามีใครเขามาชอบดา่าชอบยกโทษตีเตียนบ่อยๆ อ, อย่างนี้นะทั้งที่ตนก็ทำดีอยู่นี่ถ้าคนไม่เรียนรู้เรื่องกรรมแล้วก็โกรธให้คนผู้นั้นนะหาว่าเขามาเบียดเบียนเราเขาทำร้ายเราคมเห็งเรานี่ นีถ้าผู้ที่เห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมแะ้วบงกฎทบทวนดูแลเออนี่เข้าใจว่าคงจะเป็นกรรมในอดีตมันตามมาสนองเอาแต่ชาติหนหลังเราคงจะไปได้ด่าเขามาได้คมเห็นเขามาดังนั้นกรรมนั้นมันจึงติดสอยห้อยตามมา มาให้ผลในปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนั้นเอาละเราก็จะไม่แก้แค้นเลยเราจะไม่ตอบโต้ขอให้กรรมเวรที่ตามมาสนองนี่ให้มันหมดกันลงไปเสียแต่ในชาตินี้อย่าได้ผูกเวรกันต่อไปอีกเลยนี่เมื่อเมื่อตนเองทบทวนดูตัวเองได้อย่างนี้มันก็วางอุเบกขาลงไป ใครจะยกโทษติเตียนด่าว่าเสียสีอะไรก็ตามก็นึกถึงกรรมถึงเวนเท่านั้นมาแล้วมันก็วางเฉยได้ถ้าไม่วางเฉยเราก็สร้างเวนต่อไปอีกก็ไม่จบธรรมดาผู้รู้ทั้งหลายนะท่านรู้อย่างนี้แหละท่านจึงดุดสนีภาพอยู่ได้เวลาใครมายุ่วยวนต่างๆนานา มีการภาวนานี่นะมันต้องเลือกเจริญกรรมฐานให้มันถูกกับจริตของตนอย่าไปประมาทแล้วก็ต้องอ่านตัวเองให้มันออกอย่างว่านั้นเลยก็ตนมีจริตอย่างไรผู้ใดอ่าน ตัวเองไม่ออกแล้วมันก็แก้ตัวเองไม่ได้เลยถึงแม้กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็สสำหรับเพื่อแก้จริตของคนเรานี่เองนะเมื่อตอนเองไม่รู้เรื่องของตัวเองมันก็เอาเจริญกรรมฐานที่มันจะแก้กับจริตนั้นไม่ได้เลยมันเปน็นยังไงเหมือนคนไม่รู้จักโรคในกายของตัวเองเนี่ย ก็หายามาบําบัดตัวเองไม่เป็นนะออย่างนั้นเนะี่ยให้แต่หมอนน่นนะมาช่วยบําบัดให้ออันโรคจิตเนี่ยเวลาอาศัยแต่ผู้อื่นช่วยบําบัดให้ไม่ได้เลยไม่เหมือนโรคในร่างกายนะคิดให้ดีโรคในร่างกายนี่ หมอเพ่งพี่นาะดูสกวดดูรู้ชัดล้วเขาวางยาลงไปมันก็หายได้ส่วนโรคจิตเนี่ยเมื่อบุคคลใดไม่เคารพต่อพระธรรมคำสอนจริงๆฉชนีแม้ผู้อื่นจะสอนอย่างไรอย่างไรอะ่ะมันก็ไม่เอาตามนะลืมมันนะไม่ทำตาม มันมันต่างจากร่างกายนะร่างกายนี่มันไม่มีความรับรู้เหมือนอย่างดวงจิตอะดังนั้นเมื่อหมอวางยาให้ถูกเข้าไปแล้วยามันก็ไปขับไล่โรคมันให้ระงับไปได้ส่วนจิตนี่มันมีความคิดความนึกมันมีการยึดถือ ถ้ามันยึดถือความเห็นที่ผิดๆไว้ในใจแล้วแม้ใครจะสอนดียังไงยังไงมันก็ไม่ยอมรับเอาคําสอนนั้นเลยอมันก็ไปตามทิฐิที่ตนยึดถือไว้นั่นแหละประพฤติไปตามนั้นเลยอย่างนี้นะแล้วมันจะละ ก, กิเลสได้ยังไงบัดนี้อื <c oughs> ก็เพราะว่าตนไปยึดเอาความเห็นของตัวเองนะว่าถูกต้องไม่ยอมละอย่างนี้นะถ้าเป็นผู้ไม่ยึดถือเอาความเห็นส่วนตัวแล้วมาเอาคำสอนของพระเทเจ้านี่เป็นเครื่องระงับกิเลสตัณหาภายในจิตใจตัวเอง น, นี่มันก็เป็นไปได้อย่างจริงนะ อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังมาแล้วนั่นแหละก็เมื่อรู้ว่าตนเป็นโทสะจริตมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนอย่างนี้นะแล้วมันเจริญเมตตากรุณาให้มากๆเข้าไปแล้วมันก็เบาบางลงได้จริงๆนะเจริญเอาจนว่าใจมันสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนะไม่ใช่เราจะไปแต่บริกรรมคาถาอย่างว่านั่นเฉย เข่งจิตนี่ลงไปจนเมตตาธรรมนี้ซึมทราบเข้าสู่จิตนุ่นจิตก็สงบลงด้วยการเจริญเมตตาอย่างว่านี่ถ้าทำลงไปถึงขนาดนั้นได้แล้วความโกรธมันเบาบางลงไปแน่นอนเลยแต่ว่ามันยังไม่ขาดหรอกมันจะขาดได้ก็โดยอาศัยปัญญานุ่นวันนี้ปัญญาเนี่ยเป็น สิ่งที่ถอนรากของความโกรธความพยาบาทต่างๆออกได้ฮนะแม้กิเลสอื่นๆก็เหมือนกันนะอาศัยปัญญาดวงเดียวนี่แหละถอนรากของกิเลสทั้งมวลออกไปได้ทีนี้ปัญญาประเภทนี้นะถ้าอบรมจิตให้สงบไม่ได้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนี่ต้องให้เข้าใจ ดังนั้นเมื่อพูดไปพูดมาเลยจึงว่าการทำใจให้สงบเนี่ยสำคัญิจริงนะแต่สงบนี่มันก็มันมีอยู่ต่างๆกันนะสงบแบบโมหะสมาธินั่นก็อีกอย่างหนึ่งเช่นอย่าว่าเปนั่งสมาธิเข้าไปแล้วก็ ปลอยให้ความง่วงครอบงำแล้วก็เซอะไปอยู่นั่นเฉยๆไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะอันนั้นท่านเลยว่าโมหะสมาธิใช้ไม่ได้อย่าไปสําคัญว่ามันถูกต้องนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่หรอกไม่ได้เรื่องอะไรคนระับสมาธิที่เป็นบอกเกิดแห่งปัญญานะ มันต้องทำใจให้สงบทั้งที่รู้รู้รตัวอยู่นี่นะรู้ว่าขณะนี้จิตของตนสงบจากความรักจากความชังความพยาบาทต่างๆสงบจากความว่่งเหงาหงาวนอนสงบจากความคิดนึกพุ่งส้างเลื่อนลอยต่างๆนานา สงบจากความสงสัยหลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษต่างๆหมดนี่นะตลอดถึงมรรคผลนิพพานหมดนะั้นเราไม่สงสัยแล้วนี่เมื่อขี้เลสดเหล่านี้มันระ ง, งับลงไปนะใจนี่มันจะรวมลงเป็นหนึ่งแล้วก็ รู้ตัวเองอยู่เลยว่ามันรวมลงเป็นหนึ่งมันรู้ว่ากิเลสเหนะล่านั้นละงับไปจากจิตนี้จริงๆนะแต่มันรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเฉยๆนะมัน ม, มันไม่ไปรับรู้เรื่องภายนอกแบบนี้นะเมื่อใจมันรวมเป็นหนึ่งลงไปนิวรณห้าดับลงไปจริงๆนะ มันมีแต่รู้อยู่ในปัจจุบันแล้วไม่ไม่รับรู้เรื่องเรื่องภายนอกเสียงต่างๆที่ดังมาก็ก็ไม่ใส่ใจเลยมันจะเป็นเสียงอะไรก็ตามไม่ใส่ใจแล้วเสียงเหล่านั้นมันก็ผ่านไปผ่านไปอ่าจิตนี่ก็ตั้งอยู่เป็นปกติ เมื่อเมื่อนิวรณธรรมเหล่านั้นดับลงไปแล้วจิตนี้มันก็ผ่องใสอ่ะอ น, นั่นเองเบิกบานมันไม่เศร้าหมองขุนมัวแล้ววนันนี้เมื่อมันเบิกบานอย่างนั้นแหละพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งเลยวันนี้พิจารณาเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมมันก็เห็นแจ้ง ไม่สงสัยทิจารณาถึงกรรมฐานอันจะเป็นคู่ปรับกับกิเลสอย่างว่าใ น, นมันก็เห็นแจ้งเหมือนอย่างหมอผู้ชำนาญปรุงยารู้จักตัวยาแล้ว โรคอย่างนี้นะเราต้องใช้ตัวยาอย่างนี้มาประกอบกันเข้ามันยึงจะมีประสิท ธ, ธิภาพระงับโรคในกายของคนนี้ได้เมื่อหมอรู้จากตัวยาที่เอามารวมกันได้อย่างนี้นะหมอปรุงยาอย่างนั้นให้คนป่วยรับประทานเข้าไป มันก็ได้ผลจริงๆไงนั่นไนโรคภัยของมันก็หายไปเป็นเสียจตกรรมกรรมเวรที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมันตามมาสนองเอาแม้ยาหมอนันจะดีอย่างไรปรุงให้ถูกต้องอย่างไรมันก็แก้ไม่ได้ที่นี่มาพูดถึงจริติสัยของคนเรานี่ ถ้าว่าผูนั้นมีกรรมมีเวรตามมาสนองเอากรรมเวรอย่างรุนแรงอนี้มันก็สกัดกั้นทางมรรคทางผลไว้บันลุมรรคผลธรรมวิเศษไม่ได้เรื่องกรรมเรื่องเวรนี่สำคัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะนั่นแหละแต่ถึงอย่างไร คูนั้นรู้ว่ากรรมเวรของตนมีแล้วก็ทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยมันก็เพิ่มพูนบุญบา ร, รมีขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้จะไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษในชาตินี้มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยส่งตัวเองให้สูงขึ้นไปโดยลำดับในการต่อไปมันเป็งนงั้น ถ้าไปรู้ว่าตนมีกรรมมีเวรแล้วก็ท้อใจเสียไม่ประโยชน์พยายามแก้จริตนิสัยของตอนให้ดีให้งามอย่างนี้มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลย mm hmm. เพราะว่าไปปล่อยให้จริตนิสัยที่ไม่ดีนั่นแทรกซึมอยู่ในดวงกิจอันเนี้ย ไม่ยอมแก้ไขอย่างนี้นะมันก็ลากกิเลสไม่ได้แล้วถ้าว่าไม่เป็นเช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็ไม่ทรงแสดงจริตกประการไว้แล้วก็ทรงแสดงว่าจริตหกประการนี้นะมันก็มีอย่างได้อย่างหนึ่งเนะ่ ที่มีกำลังมากกว่าเพื่อนแสดงกิริยาการออกหน้าออกตากัวกิเลสอย่างอื่นเพศชายก็าตามมันก็รวมลงเป็นาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่นะไม่ไม่แตกต่างอะไรกันเลยทีนี้เมื่อเราแยกออกเป็นาธาตุออกไปแล้ว ถ้าเราดูแต่ ก, กิริยาอาการผิวเผินนี่เอมันก็มีแตกต่างกันบ้าง น, นี่จริตนิสัยของผู้ชายอย่างหนึ่งจริตนิสัยผู้หญิงก็ไปอย่างหนึ่งผิวพัรุ์วันนะผู้หญิงนั่นก็รู้สึกว่าละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ชาย <c oughs> กิริยาการของผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่า ไม่ละเอียดอ่อนเท่าไหรมักจะไปทางหยาบเมื่อก็มีแตกต่างกันอย่างนี้มันนี้ก็ทำให้คนหลงที่เห็นผู้หญิงสแสดงกิริยาอาการสมมติสะม้อยเล่นหูเล่นตาเข้าไปเพ่งดูผิวพรรณวันลนะเข้าไปอย่างนี้เราทำให้เกิดความกำหนัดจินดี ในรูปนั่นขึ้นมาทันทีเนี่ยนี่เรียกว่ามันมองตั้งแต่เปลือกนอกเฉยๆนี่ก็มันหลงอยู่ในเปลือกนอกนี่แหละไม่ใช่หลงอยู่ลึกอยู่ข่ำอะไรนักหนาเนี่ยดังนั้นมันต้องเพ่งเปลือกนอกนี่มันเห็นชัดลงไปออย่างที่เคยพูดให้ฟังมาอยู่ตามหลักกรรมฐาน อุภัายารูปรูปอาศัยรูปละเอียดมันอาศัยอยู่ในรูปหยาบนี่เท่านี้เองเนะคนก็มาหลงรูปละเอียดอันเนี้ยลืมมนะัน่ะฉะนั้นผู้เจริญพระกรรมฐานพิจารณาร่างกายสังขารก็ต้องพิจารณารูปส่วนหยาบ แล้วมาพิจารณารูปส่วนละเอียดเช่นผิวพันธวันนะนี่มันก็เป็นรูปละเอียดอันหนึ่งนะอันนี้เสียงไพเราะต่างๆก็ดีกลิ่นหอมหวนก็ดีรสอร่อยก็ดีหมดนี่นะมันก็เป็นรูปละเอียดแต่มันก็อาศัยอยู่ในรูปหยาบนี้อย่างนี้ เมื่อมาเพ่งดูจริงจังเข้าไปแล้วรูปละเอียดนี่มันก็ไม่มีความหมายอะไรในเมื่อรูปหยาบมันแปรปรวนไปแล้วอย่างนี้รูปละเอียดนี่มันก็แปรไปตามเหมือนกันนะเช่นอย่างผิวพันธุ์วันนะเปล่งปรังบอกขาวนวลบอกหรือว่าผิวพันธุ์แดงเหลือ ไปอย่างนี้นะเมื่อเวลารูปร่างกายส่วนหยาบนี่มันวิบัติลงอย่างนี้มันก็สูบซีดไปหมดรูปนั่นนะอันที่ว่ามันเคยเปร่งปรังมาแต่ก่อนนะอืมันก็สูบซีดไปเลยไม่เหมือนเดิมแล้วนี่เนี่อรูปร่ากายอันนี้ต้องพิจารณาให้มันละเอียดละอลงไปอนะ่ะ แล้วรูปกายอันนี้มันไม่ใช่มันจะไปตั้งยั่งยืนสม่มเสมออย่างนี้เรื่อยไปเหมือนเหมือนอย่างคนยังหนุ่มยังสาวอย่างนี้นะรูปร่างกายอันนี้ก็รู้สึกว่าเปล่งปลั่งอ ะ, อะไรอะไรก็ยังปกติอยู่นี้ไม่ใช่มันจะเป็นอยู่นี่เรื่อยไปได้เมื่ออยู่นานปีนานเดือนไปมันก็ทรุดโทรมไป รูปละเอียดก็ทุดไปตามกันอย่างว่านั่นนะผิวพันณวันน่ะอะไรก็จืดชืดไปเสียงก็เปลี่ยนแปลงไปรสอาหารก็ความอร่อยก็มีน้อยลงน้อยลงอย่างนี้หนละไอ้ผ้านุ่งผ้าห่มก็ประกอบอีกด้วยเหมือนกันนะ เป็นเครื่องหลอกกิจของบุคคลผู้ไม่มีปัญญาให้หลงได้เหมือนกันเอาผ้าสีต่งตางๆมาพุ่มห่ อ, หอร่างกายนี้เข้าไปแล้วคนทั้งหลายเห็นเข้าแม้สวยจังเพราะว่าคนผู้นี้แต่งตัวสวยจังเกิด ค, ความรักขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นชื่อว่าความหลงแล้ว สารพัสแต่มันจะเป็นไปดังนั้นการภาวนาเนี่ยก็ให้รู้จักจริตของตัวเองคนเรานะ่ะเมื่อผูใ้ใดเป็นราคะจริตก็มันเพ่งทิติพิพจารณาร่างกายนี้ให้มันละเอียดแล้วอลงไปเพ่งพิณาลงไปจนให้ถึงมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไปนู่น มันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนอะไรอยู่ในนี้มันเพ่งอยู่บ่อยๆ อ, อ่ะอสุภณิมิตปรากฏในใจบ่อยๆเข้าไปอย่างนั้นความกำหนัดจินดีต่างๆมันก็เบาลงเลยมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถึงมันไม่ขาดเด็ดทีเดียวมันก็ต้องเบาลงไป เรื่อยๆไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะเพราะอินทรีบารมีของเรายัางอ่อนอยู่แต่จะไปถอนรากของกิเลสให้ขาดหมดไปทีเดียวเลยอยนี้มันไม่ได้ต้องพากเพียนพยายามเจริญพระกรรมฐานอนันนี้ให้มันถูกกับจริตของตัวเองให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไปอย่าง กิเลสเหล่านั้นมันก็ไม่มีช่องที่จะเกิดขึ้นในใจเพราะใจมันไม่หลงนะมันเห็นแจ้งในกรรมฐานอยู่อย่างนั้นเช่นพอตาเห็นรูปเข้าอย่างนี้นะมันก็เพ่งดูกรรมฐานที่ตนเคยเจริญมาเป็นอารมณ์นะเมื่อกรรมฐานนั้นปรากฏขึ้นในใจนะ้ มันก็หายตื่นเต้นในรูปที่มองเห็นนั้นจะเป็นรูปสวยก็ตามรูปพี่ร้ายก็ช่างจะเป็นรูปเพศตรงกันข้ามก็ตามมันก็แค่นั้นแหละแค่าธาตุนั่นแหละไม่ใช่ว่าเป็นของวิเศษวิโสอะไรเลยมันเห็นแจ้งยืงนั่นทันทีเลยในเมื่อตนเคยจเจริญพระกรรมฐานอย่างว่านั้นมานะ จนแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเสมอแล้วนี่พอตาไปเห็นรูปสวยๆงามๆอะไรเข้าเอากรรมฐานเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาเป็นวิญญาณแล้วบอกว่าไม่สวยรูปนั่นนะเป็นอย่างนี้แหละอืา ม, มันเป็นอย่างนี้แหละมันก็รู้ชัดขึ้นมาทันทีเลยอ น, นี้ก็สีขาวสีเหลืองสีดำสีแดง อะไรเราเพ่งดูจนว่าให้มันเห็นเป็นสภาวะาธาตุไปเลยไม่ใช่เป็นของวิเศษพิโสอะไราธาตุเหล่านี้มันมันก็ไปเป็นาธาตุดินาธาตุน้ําธาตุไฟาธาตุลมนั่นของเก่านั่นแหละรูปได้กระช่างมันจะเกิดขึ้นนะเมื่อมันแตกดับหลงแล้วมันก็ไปเป็นาธาตุของเก่านีหยุดดูแต่ต้นไม้ใบหญ้าต่างๆพวกนี้นะ เมื่อเวลามันจเจริญเติบโตขึ้มนมันก็รู้สึกว่าเป็นต้นเป็นกกมีกิ่งก้านสาขามีใบแล้วมีสีสันแตกต่างกันไปมีทั้งไม้ลมลุกมีทั้งไม้ยืนต้นไม้ประดับอะไรหมดนี่แล้วก็มีสีต่างๆกันทีนี้นเมื่อมันแตกดับลงไปไปเป็นท่าดินแล้วมันก็หมด ไอ้คำสวยงามคำที่ว่าสีเหลืองสีขาวสีดำสีแดงอะไรหมดนะั้นมันไม่มีมันก็ลงเป็นธาตุดินของเก่านั่นนะเอร่างกายคนเรามันก็เหมือนกับต้นไม้นะั่นแหละเมื่อมันแตกทำลายลงแล้วมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำของเก่าของคนอื่นก็เหมือนกั น, นก็เป็นอย่างนี้เลยความจริงนะเราเอาความจริงมาพูดกันนะ ทำไมเราจึงไม่ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้ก็สอนจิตตัวเองเข้าไปนตนเองสอนสอนตอนเองนะมันถึงก็ได้จะให้แต่ผู้อื่นสอนอยู่ตลอดเวลาจึงจะสํารวมตนได้จึงจะพิจารณาได้อย่างนี้่าไปมันไม่ได้หรอกอมไม่มีใครที่จะมาตามสอนเราทุกอริยาบทได้ไม่มี ไม่มีใครที่จะมาตามควบคุมเราอยู่ตลอดเวลาไปเลยอย่างนี้มีที่ไหนในโลกนี่ไม่มีนนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็บระนำสั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆให้สาุสิทธิ์เมื่อสาุสิทธิ์ฟังหรือว่าเรียนจำเอาได้แล้ว ต่างคนต่างก็ไปลงมือปฏิบัติฝึกตนเข้าไปให้เป็นไปตามคําสั่งสอนที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั้นมันเมื่อทําไปตามที่ท่านแนะนําสั่งสอนไปโดยความไม่ประมาทแล้วมันก็ให้ผลจริงเชียวทาให้กิเลสท่านบรรเทาลงไปได้จริงก็รู้เองเห็นเองขึ้นมาได้วันนี้อ๋อการปฏิบัติ เจริญพระกรรมฐานท่าธรรมโดยถูกต้องตามระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้มันได้ผลจริงจริงบรรเทากิเลสลงไปได้จริงอย่างนี้มันก็รู้เองเห็นเองขึ้นมาผูนั้นเมื่อบรรเทากิเลสอันมันเป็นจริตนิสัยติดตามมาอย่างนั้นเบาบางลงไปแล้ว อาการกายวาจาของผู้นันมันก็สงบระงับไม่คึกขนองมันก็สงบระงับลงได้ความประพฤติทางกายทางวาจาเป็นระเบียบเรียบร้อยดีสม่ ำ, ำเสมอไปดีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นทุกคนต้องให้ อ่านจริตนิสัยของตนให้มันออกผู้ราคะจริตอย่างเนี้มันชอบสวยชอบงามผู้ใดเป็นราคะจริตเราก็เพื่อแก้จริตนิสัยตัวเองผ้านุ่งผ้าห่มอะไรก็อย่าไปชอบสวยสวยงามงามหรูหราหมุนั้นต้องนุ่งห่มผ้าแบบปอนปอนนะ นั่นเน่ยมันจะไม่ได้หลงกําหนัดจินดีในพระนุ่งผ้าห่มหมูนั้นคนราคะจริตนี่มันกําหนัดไปทั่วแล้วเนี่ยว่าแต่สิ่งใดมันชอบใจนล้วมันเอาล่ะอืามันเป็นยังไงในนั้ น, นถ้าว่าใช้เครื่องนุ่งเครื่องหม่มไม่โออ่าไม่ฟุ้งฟามากอย่างนี้ มันก็เป็นเครื่องบรรเทาราคะตัณหาส่วนหนึ่งลงไปนี่เครื่องนุ่งเครื่องประดับต่างๆมด น, นี่ลองสังเกตดูสิผู้ประพฤติศีลธรรมสูงขึ้นไปพุทธบัญญัตินะ่ะอย่างว่าครื่อหัดนี่เอารักษาแค่ศีลห้านี่ไม่ได้ห้ามเครื่องประดับตกแต่งต่างๆ พอมีศรัทธาเรื่อนไปรักษาสินแปดหรือสินอโวสถเอาไปได้อย่างนี้ห้ามแล้วห้ามไมา่ประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างๆและสร้อยคอตุ้มหูแหวนเพชรอะไรหมเนี้ต้องงดเว้นช่วงระยะเวลาที่รักษาสินอโวสถหรือว่าสินแปดอยู่นั้น นี่ก็แสดงว่ามันศีลเมื่อมันเลื่อนขั้นสูงขึ้นไปมันก็ต้องกาจัดกิเลสอันหมูนี้ให้เบาบางออกไปช่วยสมาธิด้วยศีลนนะ่มันเป็นกำลังส่งเสริมให้จิตเป็นสมาธิอย่างว่านั้นนะปีงันเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้เพิ่งพากันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันสำคัญมากถ้าไม่รู้จักสิ่งที่จะมาระงับกิเลสในหัวใจนี่แล้วกิเลสนี่มันจะไม่เบาบางไปจริงๆนะให้เข้าใจ อย่างเช่นคนศรัทธาจริตเสื่อง่ายงมงายอย่างนี้นะทำยังไงละ่ะถึงจะเป็นผู้ไม่เชื่อง่ายงมงายก็มันฟังให้มากๆนะศึกษาเล่าเรียนความรู้ให้มันมากขึ้นไปแล้วเมื่อตนสงสัยอะไรก็มันไต่ถามท่านผู้รู้ ท่านผู้รู้ท่านจะได้อธิบายชี้แจงให้ฟังโดยเขมแจ้งเมื่อเรารู้ธรรมวินัยคําสอนของพระเจ้าโดยแเขมแจ้งได้แน่วันนี้ใครจะมาแสดงความคิดเห็นผิดจากทางที่ถูกต้องไปเราก็รู้บันนี้เมื่อรู้อย่างนั้นเราก็ไม่เชื่อไม่ทําตามรั่วมันขัดต่อคําสอน ของพอระพทเจ้าในทางที่ถูกต้องแล้วมเมื่อไม่ทำตามแล้วมันก็ไม่หลงไปในทางที่ผิดเท่านั้นเองนะ อ, อันบุคคลศรัทธาจริตเชื่อง่ายงมงายนี่ส่วนมากไม่ค่อยสนใจในการฟังไม่ค่อยสนใจในการดูตำรอบตำรา ไม่สนใจในการปินิดพิจารณาพระธรรมคำสอนของพระเถเจ้าให้ละเอียดละออเข้าไปเพียงเรียนได้แล้วจำได้กระจำไปเฉยๆไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้น้อมเข้าไปคิดไปวิจารณ์ข้ออัจข้อธรรมนั้นนั้นให้มันเห็นแนวทางปฏิบัติโดยแจ่มแจ้งขึ้นมาโดยปัญญาของตัวเอง นี่มันมันบกพ้องอย่างนี้คนเราที่จะไปเชื่อง่ายงม ง, งายอย่างว่านั่นนะอย่างเช่นที่เคยแสดงบ่อยๆอยู่คนเราทั้งที่นับถือพระพุทธศาสนาอยู่อย่างนี้นะพพุทธศาสนานี่หมายความว่าศาสนาที่เกิดจากท่านผู้รู้ผู้ฉลาดอย่างยอดเยี่ยม ท่านกลั่นกรองธรรมะอันเป็นหนนทางแนวทางปฏิบัติเพื่อพ้นไปจากทุกขมาแล้วโดยสมบูรณ์ก็จึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททางหลายฟังอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพราะองค์คิดได้ยังไงแล้วก็ว่าไปอย่างนั้นเลย ที่จริงพระองค์กลั่นกรองด้วยพระปัญญาอันเยี่ยมมาแล้วว่าทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นน่ะเป็นทางผิดไม่ใช่ทางถูกไม่ใช่เป็นทางทนทุกข์ทนภัยในสงสารอย่างเช่น การไปนับถือผีนับถือเทวดาอินพรหมอย่างคนส่วนใหญนะ่นับถือกันอยู่อย่างนี้นะสะเดาะเคราะห์ผูกดวงนะดูเลิกดียามดีเคราะหดีเคราะห์ร้ายอะไรหมดนี้นะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปวงสวงเทวาอารักษ์นี่ พระองค์เจ้าก็ตรัสเล้แล้วว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมผู้ใดถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงไปได้ <Yeah. S 1> เมื่อผู้ใดมาถึงซึ่ ง, งพระคุณของพระพุทธ เ, เจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งทีละลึก และมารู้แจ้งในอริยสัจจะทำทั้งสี่มีทุกขสัจเป็นต้นนี่แหละเป็นที่พึ่งอันกเกษมนี่แหละเป็นที่พึ่งอันอุดมเมื่อผู้ใดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งแล้วจกพ้นจากทุกทั้งปวงไปได้เมื่อพระ อ, องค์เจ้าตรัสอย่างนี้เราก็น้อมเข้ามาวินิจฉัยอีกทีหนึ่ง เมื่อวิเนศใช้ดูโดยเหตุผลแล้วมันก็ต้องเห็นตามที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้ว่าการไปนับถือเลิกดียามดีข้อดีข้อร้ายบวงสรวงเทวาอารักอะไรหมดนั้นไม่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยการกระทำเช่นนั้นมองไม่เห็นประโยชน์เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ไม่มีรูปร่างอะไรเลย อย่างว่าทำพิธีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเอาเนื้อสัตว์ต่างๆไปวางไว้บนหิ่งูบนสารเจ้าต่างๆนั่นก็เชื่อเชิญได้จริงที่อาศัยอยู่ในสถานที่เหล่านั้นมาบริโภคมาอยู่มากินอะไรหมดนี่มันเรื่องเหลวไหลทั้งนั้นเลยแต่มนุษย์เราก็ยังหลงอยู่ยังเชื่ออยู่ไง แล้วแถมยังได้ทำบาปเพราะการนับถืออันนั้นอีกนะี่ยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้นนะ่ะนั่นแหละยงว่าพระองค์เจ้ายิ่งว่ามันไม่เป็นทางพ้นทุกส่วนที่นี่เมื่อพระองค์มาแสดงว่าเมื่อมาแสดงความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนารกยเอาเป็นน้พึ่งแล้ว ยังต้องมารู้แจ้งในอริยสัจจะทำทั้งสี่ด้วยนะมันจึงจะได้ที่พึ่งอันกเกษมเพราะคุณพระรัตนกไกลกับอริยสัจจะทำเนี่ยมันเนื่องกันเลยอะ่ะยันดนอย่างนั้นเช่น <c oughs> อย่างว่าเป็นผู้รู้แจ้งในทุกขตามเป็นจริงอย่างนี้นะรู้เท่าทุกข์ได้ตามเป็นจริงแล้วก็รู้แจ้งในเหตุให้เกิดทุกข ได้ตามเป็นจริงนี่ก็รู้แจ้งในเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่รู้แต่เพียงว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เท่านั้นยังไปรู้ว่าการบวงสวงการถือผิดถือรัฐที่ภายนอกต่างๆหมดนั่นนั่นก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหมือนกันแนยมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้เรามันก็ไม่ถือแล้ว ไม่หลงไหลไปตามลัทิเ่านั้นแล้วแล้วก็มาละตัณหาประเภทที่พาให้ไปทำบาปทำกรรมต่างๆนานาหมดนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนทำผู้ใดทำกรรมมันใดก็ย่อมรับผลแห่งกรรมมันนั้นอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้ว ดังนั้นแต่ละคนเมื่อก ร, รมบรรแต่งเขามาแล้วเราจะไปดัดแปลงให้เขาดีขึ้นกก่าเก่าดีเหมือนเดิมเหมือนมันเหมือนเขาดีมาแต่ก่อนมันก็ดีไม่ได้ในเมื่อกรรมที่ให้ผลนะั้มันยังไม่หมดมันก็ต้องไปตามกระแสของกรรมนั้นซะก่อนะ ต้องเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างว่านี้แล้วก็ขอให้พากันบำเพ็ญเพียรภาวนามักร้อยสันโดดชอบสั ง, งัดไม่ชอบวุ่นวายเดือดร้อนอะไรกับใครแม้คนที่มีนิสัย ไม่ค่อยดีกระทบกระทั่งมาแล้วก็ให้อภัยไปเราก็ไม่ถือสาหาความก็อย่าไปเข้าใจว่าเราอยู่กันโดยลำพังไม่มีครูไม่มีอาจารย์สั่งสอนอยากทำอะไรทำไปอยากพูดอะไรพูดไป ไม่ควรที่จะเข้าใจอย่างนั้นคำรรวิในยคำสององค์รเจ้าที่เราเรียนมาที่ฟังมานี่แหละเป็นครูเป็นอาจารย์ให้เข้าใจเมื่อเรามีทำอยู่ในใจทำนั่นแหละเป็นครูสอนใจเราเมื่อเรามีวินนยอยู่ในใจก็วิเัยนั่นแหละ เป็นครูเป็นอาจารย์ก็ขอให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเราวิจัยเมื่อเราวิจารณธรรมวินยนยมีอยู่ในใจของเราเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วนั่นก็ไม่จาเป็นต้องไปวิตกวิจารณว่าเราไม่มีครู ไม่มีอาจารย์แนะนำสั่งสอนก็ไม่ไม่ควรจะนึกคิดไปอย่างนั้นเลยเครูอาจารย์สอนเราก็เอาคำสอนของพระเจ้านั่นแหละมาสอนเราก็น้อมเข้าไปสู่จิตใจไว้จำเอาไว้ แล้วลงมือปฏิบัติตามดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามอย่างนี้นะมันก็เหมือนกับอยู่ใกล้ชิดครูวาจาันมันก็ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจก็จะไปเดือดเนื้อร้อนใจอะไร ในเมื่อเราก็รู้อยู่ทุกคนใดแล้วทั้งได้ฟังมาด้วยว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็รู้กันอยู่มาแต่ไหนทหนายผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วยังจะไปหลงไหลถือว่าเป็นของเราถือว่ามันเที่ยงถือว่ามีความสุข เมื่อไปถือมั่นอย่างนั้นมันก็แข็งกระดังมันก็ไม่ยอมเคารพโน้มน้อมต่อใครถ้าเป็นเช่นนั้นก็ใช้ไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ผลอะไรดังนั้น <c oughs> การที่เราเข้ามาบวชก็เพราะเห็นทุกเห็นภัยในสงสาร อยากพ้นทุกข์จึงได้เข้ามาบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองบ้างนุ่งขาวห่วมขาวบ้างเรามีจิตเจตนาอย่างนี้เพราะฉะนั้นความพ้นทุกข์้นไยในสงสารมันจึงอยู่ที่ตัวของเราเองเราอยากพ้นไหม เราเห็นทุกข์ไหมเกิดมาในชาตินี้นยะกถ็ถามตัวเองดูเมื่อตอนเองรู้ว่าตนเห็นทุกข์จริงเห็นภัยจริงตอนอยากพน้นอยากพ้นจริงอยากพ้นจากทุกข์ อยากพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่นะทำไมจึงอยากพ้นการที่อยากพ้นก็เพราะเหตุว่าในเมื่อยังมีความเกิดอยู่ตราบใดความทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นความแก่ความเจ็บความป่วยไข้ ต่ามนไม่รู้จะกองทุกทั้งนั้นเลยแต่ถ้าผู้ใด